ช่วงแรกก็คือการมาทําความรู้จักรูปนามสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนะไม่รู้จักความรู้สึกสองส่วนความสึกกายจากใจคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็คิดว่ากายกับใจมันเป็นอันเดียวกันแต่เวลามาปฏิบัติเนี่ยท่านให้เห็นว่าลักษณะกายกับใจเนี่ย มันเป็นอันเดียวกันก็จริงแต่มันทำงานคนละอย่างให้มาเห็นอันนี้ก่อนกายทำงานอย่างไรใจทำงานอย่างไรแล้วความจริงของกายหรือรูปนี้มันคืออะไรความจริงของนามคือใจนี่มันคืออะไรมาทำความเข้าใจตัเนี่ซ้ำๆซ้ๆซ้ๆหลายครั้งเพื่อที่จะสารอกความสำคัญผิดหรือวิปราชที่เราเข้าใจว่า กายนี่เป็นเราใจนี่เป็นเรากายนี่เป็นทุกข์ใจก็เป็นทุกข์กายนี่เป็นสุขใจนี่เป็นสุขกายนี่เป็นของเราใจนี้เป็นของเราชีวิตนี่เป็นของเราอะไรเราจะมาสำรองอุปทานอันนี้ให้ได้ก่อนว่าในพิธีการสำรองก็คือให้มาเห็นว่าให้มาพิจารณาในช่วงที่เราสร้างตัวรู้เนี่ยเพื่อตัวรู้มาพิจารณาว่ากายเนี่ยมันมันไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์ มันแสดงอาการของมันว่าเป็นไปตามใจรักษอาการไหนที่มันไม่สบายอาการที่เป็นกายเนี่ยมันไม่มีสบายไม่สบายแล้วก็เป็นกลาง <c oughs> ใจก็เหมือนกันก็มีสบายไม่สบายเป็นกลางให้ดูสองลักษณะนะให้ดูอาการตามความผิดียงเทียบมันมันมีอาการกาย หรือรูปนี้มันมีอาการสบายเรียกว่าสุขอาการไม่สบายเรียกว่าทุกอาการเป็นกลางเรียกว่าสุขทุกยัไม่ชัดทีนี้ก็มาให้มาแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะต้องมีศรัทธาเข้ามาก่อนมีศรัทธามีความรักมีความตั้งใจมีความอยากรู้อยากเห็นการอยากพิสูจน์ให้มีตัวนี้ซะก่อนเพื่อเราจมีคุณสมบัติในขณะเดียวกัน่็เป็นคนมีความ รู้เนือรูตัวรู้สึกรู้สารู้ไอ้ปกติคนทั่วไปไม่ใช่คนเป็นคนบ้าใบาเสียจริตวิป อ, อ่าจิตประสาทไม่ดีไม่ใช่งนั้นแล้วเขเป็นคนปกติจิตใจปกติเรื่องมีสติมีสมาธิปัญญาเหมือนคนปกติทั่วไปเนให้มีตัวนั้น <c oughs> ด้วยให้มีความอยากความารัก อยากจะศึกษาอยากจะเรียนรู้แล้วก็พร้อมใจที่จะลงมืออันนี้เขาได้สมบัติเบื้องต้นก็เรยวอินรียห้าถ้าคนไหนทำได้ตามนั้นก็มีกำลังศรัทธาก็มีมากขึ้นกว่าเดิมความตั้งใจที่จะทำก็มีมากขึ้นกว่าเดิมสติสมาธิปัญญาก็มีความชัดเจนปกติที่คนพูดรู้เรื่องไม่เป็นอ่า รักษณะหรือว่ามีทิฏฐิมณะอะไรมากมายเนะีย่ยงแต่ว่าพร้อมที่จะศึกษาเรื่องนี้อันนี้คือสมบัติเบื้องต้นที่สุดของผู้ใหม่ทุกคนพอมีคุณสบัติเบื้องต้นหอย่างนี้แล้วก็ก็มาดูว่ามาแก้ความเข้าใจผิดว่ากายนี่เป็นของเราก็ให้เห็นว่ากายนี่มันไม่ใช่ของเรามันเป็นของ <c oughs> ธรรมชาติธาตุสี่มาจากดินน้ำลมไฟทํางานตามธรรมชาติด้วยแรงแห่งกรรม เกิดมาด้วยแรงแห่งกรรมที่เราได้รับเป็นกรรมวาท ย, ยาจากบรรพบุรุษถ้าบรรพบุรุษของเราไม่มีกรรมดีกรรมชั่วต่อกันมันก็ไม่ได้เกิดมาเป็นเราที่ไปต้องมาเป็นสุขเป็นทุกข์กับตัวเองอันนี้ก็ให้ให้เข้าใจหลักการพื้นฐานทั้งนี้ก่อนมันเบื้องต้นเลยว่าให้มาจุกลูปรูปนามว่ากายเนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เราใจเนี่ยมันเป็นรูปเป็นนามมันไม่ใช่เราใั น, นเข้าใจตรงนี้ก่อน ในเบืง้งพื้นฐานเบื้องต้น 3, 000, สามวันสมมุติถ้าักสูตรเจ็ดวันเนี่ยสามวันสี่วันเนี่ยต้องมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ว่ากายที่เรานั่งอยู่เนี่ยเมื่อก่อนเราว่านั่งเราถ้ารู้สึกไม่สบายเราก็เราไม่สบายให้เรามาถอนว่าเออความรู้สึกที่มันไม่สบายมันไม่ใช่เรานะมันเป็นกฎของไตลักษ์ที่ทํางานอยู่ว่าเป็นความรู้สึกอันหนึ่งแต่มันไม่ใช่เราทําความเข้าใจตรงนี้ให้ได้ก่อนว่า กายที่มันรู้สึกสบายบ้างไม่สบายบ้างถ้าไม่สบายก็แสดงว่าเออเราลืมพลิกลืมเปลี่ยนถ้ามันรู้สึกสบา ย, ยาหมายความว่าเราพลิกเราเปลี่ยนมันปรับหามันมันก็รู้สึกสบายมันก็สลับกันไปอย่างเงี้ยสบายไม่สบายเป็นกลางสบายไม่สบายตลอดเวลาให้เห็นนั่นนี้ให้ให้ขึ้นใจก่อนเมื่อเห็นลักษณะนี้ขึ้นใจแล้ว อ, อุปทานว่าเราของเราเนี่ยมันค่อยๆจางไปค่อยจางไคอความ เข้าใจถูกก็จะเริ่มขึ้นแหละว่าเอออันนี้มันเป็นความรู้สึกจริงๆนะแต่เราต้องหาไปเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นของเราสุขของเราทุกข์ของเราสบายของเราไม่สบายของเราแต่พอเราดูตรงนี้บ่อยๆพระอาจารย์หรือตริญาณมิตรท่านก็ บ, บอกว่ามไม่ใช่ของเรานะมันเป็นกฎของธรรมชาติเป็นไปตามว่าถ้ามันสบายก็หมายความมีการปรับปรุงเ ป, เ ป, เปลี่ยนแปลงระดับในรดับหนึ่งเรียกว่าอนิจจัง ถ้ามันไม่สบายก็เพราะเราไม่มีการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่สบายนะแล้วก็เราก็ไปสู่ความาไม่ไม่แน่ใจความไม่ชัดเจนว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นมาจะเป็นอยู่สามอย่างเนี่ยดังนั้นในภาคปฏิบัติท่านก็นเลยให้มาทำควา ม, วามเข้าใจว่าเราตามความรู้สึกทั้งสบายไม่สบายเนี่ยนะว่าเมื่อตามไปแล้วมันไม่สบาย ถ้าหากว่าเราปรับเอาความไม่สบายออกอย่างรู้เนื้อรู้ตัวมันจะเกิดเป็นความรู้ตัวใหม่ขึ้นมาเรียกว่าตัวสมัมมาสติแต่ถ้าเราปรับเปลี่ยนในความไม่สบายนี้ออกไปด้วยความไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวมันก็จะเป็นสติตัวเดิมเรียกว่าสติที่เป็นสัญชตาตญาณ น, นี่ความรู้ใหม่ <c oughs> กับความรู้เก่ามันจะมาแยกกันตรงนี้ถ้าเราแต่กดของความ เปลี่ยนแปลงไม่สบายแล้วก็ตั้งต้นใหม่กฎของมันอยู่เงี้ยเดี๋ยวอนิจจังทุกขังน่าตาแต่พอเราไม่ได้มาศึกษาสถิปตฐานท่านบอกให้สอนเราว่าไอความไม่สบายเนี่ยมันปรากฏเราคนย่างไรกับมันความไม่สบายปรากฏมาจากอะไรปรากฏการทํางานของตัวเปลี่ยนแปลงหรืออนิจจังเนี่ยมันก็ปรากฏเป็นทุขังคือความไม่สบาย แต่ท่านได้เราได้ความรู้ใหม่ว่าเออความเปลี่ยนแปลงนี่นะถ้าเราเปลี่ยนแปลงมันอย่างรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยมันได้คุณค่าใหม่ที่เรียกว่าตัวรู้ที่สัมมาสตินี่ขึ้นมาละที่เราสวดแต่ถ้าเรารู้สึกไม่สบายเราเปลี่ยนแปลงเหมือนกันตามสัญชตาตญาณเรืยกว่าเป็นมิจฉาสติอย่างนี้เรื่อยไปแล้วก็จะ้ก็จะเรียนรู้ตรงนี้ก่อนเนะบื้องต้นะเรียนรู้ตรงนี้ให้ได้ก่อน เรียนรู้ตัวนี้จนขึ้นใจแล้วเราเริ่มเห็นตัวรู้ชัดขึ้นตัวรู้ในการที่ตั้งใจจงใจเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้นเมื่อก่อนในการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนะ้เปลี่ยนแปลด้วยสัญชตาตญาณนั่งท่านี้ไม่ดีฉันก็นั่งท่านี้นั่งตัวนี้ไม่สบายฉันก็ลุกไปตรงนั้นอยากจะทาตอบสนองความต้องการจะเข้าห้องน้าห้องส้วมหรือน้ำหมึงท่า ฉันต้างกาที่ก็ไปตามสัเชตยานเราก็จะอยู่งั้นมาตลอดมันก็เลยไปสําคัญมันหมายว่าการเปลี่ยนแปลงสุขทุกเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเราเป็นผู้ทําแต่ความจริงพอมาเห็นความจริงเกิดสัมมาถสติโอมันไม่ใช่เราเป็นผู้ทําเพราะอนิจจังทุกขังอน้าตาเป็นผู้ทํางานแต่เราไปสําคัญอนิจจังทุกขังหน้าตาว่าเป็นเราตรงนี้เป็นไปนการต้นตอแห่งทุกขคือสมุทยัยอ่าทุกสมุทัยปรากฏ พรฉะนั้นหลักอริยสติก็ปรากฏตรงที่เราได้สมาสติพอได้สมาสติปั๊บเราก็ให้รู้อ๋อทุกต้องรู้นะว่าเขณะ น, นี้เราไม่สบายอสองสมุ ท, ทยัยถ้าหากว่าเรารู้ไม่ถูกมันก็จะเป็นสมุ ท, ทยัยถ้าเรารู้ถูกมันก็จะไม่เป็นสมุ ท, ทยัยมันก็จะเป็นเลนโรดไปเราก็เลยมาเพิ่มความรู้ที่ถูกเรียกว่าสัมมาทิฐิองค์มากองค์แรกปรากฏเลย นะในหลักการนไหนก็ตามไม่ว่าอาจารย์ไหนก็ตามก็จะสอนหลักเดียวกันนะีแต่ว่าจะเป็นไปตามาหลักการทฤษฎีถ้อยคําสํานวนสมมุติที่อาจารย์ท่านเหล่านั้นใช้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะอย่างเราใช้หลักการทฤษฎีหรือสมมุติของหลวงพ่อเทียนเราก็เข้าใจแบบนี้เข้าใจแบบนี้ว่าเออลูกคำเขาท่าเข้าใจลูกนาม ลูกทํานาำทำลูกโลกน้ําโลกลูกทุกนาำทุกให้ลูกอนิจังทุกขังนาตานี่ก็เป็นสมมติหลกงพ่อเทียนแล้วถ้าอาจารย์อื่นท่านก็จะไปสอนแบบนี้ท่านก็จะสอนอีกแบบหนึ่งแต่ว่าหลักการเดียวกันบางทีก็สอนปริยัติโดยตรงพอสอนปริยัตโดยตรงเราก็ไม่เข้าใจเพราะเราไม่มีปริยัติอันนี้เบื้องต้นสามสี่วันเนี่ยเราก็จะวนไปวนมาอยู่เนี้ แต่อาจารย์ที่เข้าใจตรงหน่อยเราก็จะท่านก็จะเน้นแต่เรื่องนี้ให้ชัดก่อนแต่ถ้าอาจารย์ที่ยังเข้าใจไม่ตรงไม่ถูกหรือเข้าใจถูกยั่ไม่ชัดท่านก็จะวนไปเรื่องอื่นไม่ไม่เน้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรามีการเลือกคู่วาอาจารย์มีการเลือกสำนักว่าอันไหนมันตรงประเด็นเข้าใจง่ายแล้วก็รู้สึกสัมผัสได้ เราก็จะเลือกอันนั้น <c oughs> อันไหนที่ท่านพูดถูกก็จริงเดี๋ยวมันม่ตรงประเด็นมันสัมผัสไม่ได้เข้าใจยากเราก็จะเปล่อยไว้ก่อนนะอันนี้คือหลักการทั่วไปเบื้องต้นที่สุดละที่จะลําดับให้เห็นนี่นะอันนี้ต่อมาเมื่อเราเข้าใจารูปว่ามันไม่ใช่เรานามคือใจเนี่ยมันไม่ใช่เร า, ามันเป็นกฎของอนิจจังทุกข์กาวนาตามันก็ พอเรารู้ว่าทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงกุญแจแจ้งทุกข์กันนะความสาคัญมา่หมายว่าเราของเราไม่ค่อยถอนออกไปพอเวลาเราร้อนขึ้นมาแทนที่ว่าจะว่าเราร้อนอ๋อ้ความรู้สึกร้อนเมื่อความรู้สึกมันร้อนจะทําให้ความรู้สึกมันไม่ร้อนแล้วก็ก็ไปบําบัดลูกที่มันร้อนเสีย <c oughs> แต่เมื่อก่อนถ้าเราคิดว่าเราร้อนเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดกับความร้อนเราก็จะไม่พอยใจความร้อนเราก็จะคิดเนี่ยเพราะนั้นความสําคัญมันหมายว่า ความไม่สบายเป็นเราก็ไม่ใช่เราเนี่ยมีผลต่างกันถ้าเราไปสําคัญมันหมายว่าความไม่สบายเป็นเราเนี่ยมันเป็นสมุทยัยก็ให้เกิดวิชาตันหาอุทานตามมาแต่เราไปเข้าใจว่าความไม่สบายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันคือความรู้สึกชนิดหนึ่งที่เกิดจากปฏิเรยียของการกระทบสัมผัสจากภายนอกภายในเราก็เข้าไปรู้เราก็มีการปรับเอาความไม่สบายนั้นออกไปเสียจิตเดี๋ยวเราก็ยังเหมือนเดิมจิตของเรามันก็จะไม่ ไปเกิดอวิชาดันหาวธรรมมันจะเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้ชนิดนี้ท่านเรียกว่าสัมมาทิฐิรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกเนี่ยเบื้องต้นน่ะให้เข้าใจหลักการอันนี้ก่อนเมื่อเข้าใจหลักการอันนี้เมื่ อ, อจิตของเราที่มันไม่เข้าไปหมกมุ่นคุ้นคิดด้วยสําคัญผิดในเรื่องสุขเรื่องทุกข์จิตมันก็จะเบา จากการที่เข้าไปปรุงแต่งตามกฎข อ, ของความไม่รู้มันก็จะบอบางก็สบายปีติก็เกิดขึ้นปสัสธิก็เกิดตามมาสมาธิก็ตามมาอุเลยขาก็ตามมาแล้วเราก็ได้อารมณ์เท่านั้นเองก็เป็นวิปัสสนาเพราะเราเอาตัวกฎไตรักมาเป็นตัวตั้งตั้งแต่แรกอันนี้คือหลักของเข้าไปสู่วิปัสสนาโดยตรง แต่สําหรับคนที่ยังไม่มีนิสัยไม่อยากคิดไม่อยากปรุงแต่งอยากจะสงบอยากจะนิ่งอยากจะสุขอย่างเดียวอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาทางด้านนี้ยังไม่เกิดท่านก็ให้ไปทําสมาธาก่อนพวกนี้ไปนั่งสงบไปนั่งเข่าชานไปนั่งสมาธินั่งสะกดจิตซะก่อนเพื่อให้เห็นทุกข์มากๆพอเห็นทุกข์มากปัญญามันเกิดก็ค่อยไปสอนวิปัสสนากันทีหลัง แต่ในวิธีการของพระเทนท่านจะเอาโฆษนาบรมาลงก่อนเลยใครรับได้ก็รับใครรับไม่ได้ก็ไปไปทางอื่นอย่างเงี้ยมันก็เลยรักตรงสำหรับคนที่มาปฏิบัตินิมูลพระนั้นนั่นเองในหลักเบื้องต้นเนี่ยมันที่ที่ก่อนที่เราจะเก็บอารมณ์ น, นี้อย่างเราจะ เก็บปฏิบัติได้ว่าวันที่17 1 8จ9 20 21เออวันนี้เราได้4วันนะทีนี้สมวันต่อไปนะสามวันต่อไป21 22 23เาเราก็ลองมาเก็บอารมณ์รูนะคือหลังจากที่เราเข้าใจแยกเห็นว่าความรู้สึกทั้งหมดทั้งปวงที่เราสัมผัสอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกสบายสบายเนี่ยมันไม่ใช่เรานะมันเป็นความรู้สึกเท่านั้นนะถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องอถ้าพระอาจารย์เขาบอกว่าความรู้สึกที่สบายเนี่ย คุณอย่าไปเพลินนะแต่ความรู้สึกที่ไม่สบายคุณก็ไม่ต้องปฏิเสธมันคุณก็แก้หาทางแก้ไขบําบัดถ้าคุณทนนอนไม่ได้ก็แก้ไขบําบัดไปแก้ไขในบําบัดในฐานะว่าให้ร่างกายนี่อยู่อยู่ได้รูปนี่อยู่ได้ไม่ถูกทําลายด้วยเวทนาุนแรงแต่เราก็คอยได้ความรู้ติดตามมาก็คือได้สติสัมมาสติเพราะเรามีเจตนามีความตั้งใจที่จะเข้าไปบําบัด ตัวเนี้ยเราก็ริ่มได้กำลังของสมาสติสัมมาสมาธิขึ้นมาเรื่ยๆแหละแต่ถามว่าทัดตลอดเวลาไหมไม่เพราะเราอยู่กับความไม่รู้ความเผลอมาตลอดหลายภพหลายชาติหลายกลับหลายกันเนี่ยจูๆเราจะมาให้เป็นดูรู้ตลอดเวลาเป็นไปไม่ได้เราก็จะรู้บ้างหลงบ้างสลับกันไปบางทีก็รู้ยาวบางทีก็หลงยาวบางคนก็รู้สั้นบางคนก็หลงสั้นบางคนรู้หลงพอๆกันสลับกันไปสลับกันมาอยู่างเนี้ย คือกระทั่งนานเ ข, ข้านั้นเข้าเราเกิดทักษะเราเกิดความเชนิชชำนาญเราเริ่มรู้มากขึ้นหลงน้อยลงเพราะอะไรเพราะเราไม่เพลินในสุขเวทนาเราก็จึงไม่หลงนานในกรณีที่เราไปเพลินในสุขเวทนาเราก็จะหลงนานเพราะหลงนานเราก็จะรู้น้อยการปฏิบัติก็จะช้าการเห็นสภาวะธรรมที่ลึกไปตัว น, นั้นก็จะช้านะแต่คนไหนที่พยายามที่จะคอยระมัดระวังให้ให้รู้บ่อยๆรู้แบบสบาย แล้วก็ไม่ยึดติดในสุขเวทนาไม่เพลินความหลงหรือความเพลินในเวทนาก็น้อยความเผลอก็น้อยความรู้เนื้อเรื่องตัวก็มาไวขึ้นมากขึ้นการปฏิบัติของคนนี้ก็จะไวก็เข้าใจไวเข้าใจไวปับ๊บมันเกิดอะไรก็เกิดตัวรู้มากขึ้นก็เกิดปัญญาพอเกิดปัญญามันก็จะไปปล่อยวางกิเลสค่ามละเอียดขึ้นอตอนแรกก็ปล่อยวางความเผลอได้ปล่อยวางความคิดได้เดีมาก็าปล่อยวางความอยากได้ S 1> <S 1> ปล่อยวางความยึดได้ปล่อยวางความสําคัญผิดได้ไป เ, เรื่อยๆจิตใจของเราก็จะทิ้งภาระในการปรุงแกง่งทิ้งภาระทของกันยึดติดจิตใจเราก็เบาขึ้นเรื่อยๆพอจิตใจเบาขึ้นเบาขึ้นเรารู้สึกว่าเออมันสบายดีเราก็จะเริ่มปล่อยวางในสิ่งที่ยากๆปล่อยวางความโลภปล่อยวางความโกรธปล่อยวางความหลงปล่อยวางความอยากได้อะไรต่างๆมันก็เริ่มปล่อยไปปล่อยไปชีวิตของเราก็จะเริ่มเป็นอิสระ อันนี้หลักการในในที่เราไม่ต้องใช้สมมุติทางภาษาปริยัติหรือภาษาอืนนอ่นมากนะเอาภาษาที่เราเข้าใจได้เนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหบางทีเอามาก็นําเสนอค่อนข้างว่ามีเวลาสั้นต้องพูดไว้บางคนก็ตามทันบางคนก็ามไม่ทันอาจจะบางคนที่เข้าใจแล้วถ้ามาเสนอซ้ําไปซ้ํามาซ้ําๆคนก็อาจจะรู้สึกมันมันไม่จําเป็น แต่บางคนซ้ำซากไม่รู้กี่รอบเป็ยังไม่เข้าใจก็มีอันนี้คือความยากของการผู้ที่เข้าอบร ม, มนะแต่สําหรับผู้ที่มีพื้นมาแล้วพ อ, อมาอนําเสนออย่างนี้แต่ละครั้งก็จะเข้าใจเห็นเส้นทางเพราะว่าคุ้นละคุ้นแทนเส้นทางแต่สําหรับคนใหม่ยังไปคุ้นเส้นทางเลยยังงงๆเง่งๆอยู่เลยที่ท่านพูดหมายความเป็ไงเราเข้าใจถูกหรือเปล่าก็มีอยู่นะดังนั้นเองก็จึง อ, อยากจะให้ ทดลองดูว่าอย่างที่อามาพูดมาทั้งหมดเข้าใจได้ไหมในเบื้องต้นว่าสามารถที่จะไปเกี่ยวข้องกับตัวรู้สึกสบายไม่สบายในลักษณะไหนลักษณะเป็นสมถะหรือวิปัสนาหรือลักษณะที่ยังไม่เป็นทั้งสองอย่างลักษณะที่เป็นสมถะกหมายความว่าเรายัางไปะสะกด ขับไล่ความรู้สึกไม่สบายอยู่หรือยังไปแช่ไปเพลินความรู้สึกสบายไม่สบายอยู่อันนี้ก็จะเป็นเป็นสมถะไปละหรือบางคนก็ยังไม่เข้าใจยังเจะว่าสะกุลก็ไม่ใช่จะว่ารู้ทันก็ไม่เชิงยังง ง, ง, ง, งอยู่อย่างนี้ก็มีเนี่ยแต่บางคนเริ่มเริ่มรู้ทันว่าเออความรู้สึกสบายที่ที่เราไปเพลินแล้วมันจะก่อให้เกิดความอ่ะเผลออย่างนี้นะก็ระวังความ ในสุขเวทนาเออถ้าหากทุกเวทนามาท่านทนได้ทนไปก่อนถ้าทนไม่ได้ให้ตั้งใจบำบัดอย่างนี้นะแล้วก็ตั้งใจบำบัดเป็นครั้งเป็นครั้งเป็นครั้งไปทีนี้ทุกเวทนาก็ไม่ใช่ว่าจะไปบำบัดวันทุกครั้งก็ลองทดสอบดูวันว่าเออเราทนมันได้แค่ไหนนั่นงนานทนได้แค่ไหนนั่งนานรู้สึกว่าจะจิตมันจะรับไม่ไหวมันก็จะค่อยเผลอหรือคอยสะกดเรารู้สึกว่ากําลังสติปัญญาเราไม่พอเราก็เปลี่ยน เรตั้งใจเปลี่ยนพราะตั้งใจเปลี่ยนมันก็เกิดตัวสมารติขึ้นมาค่อยๆสมาริก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมาคือสติที่ถูกต้องก็หมายก็ว่ารู้เห็นแล้วก็ปล่อยวางรู้เห็นชัดแล้วก็ปล่อยวางแล้วก็สํารวจดูด้วยว่าไอาการปล่อยวางของเราเนี่ยมันมันได้ระดับไหนนะนระดับความเพียงแค่คิดหรือว่า อะไรที่ ย, ยากๆก็ปล่อยวางได้ด้วยเนี่ยอันนี้แต่ละคนก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าพื้นฐานคนไม่เท่ากันนะบางคนเลือกปล่อยวางได้พักหนึ่งอ้าวต่อไปก็เผอเข้าไปในความคิดอีกละวบางคนก็ปล่อยวางได้ยาวตามรู้ได้ยาวบางคนก็ได้สั้นๆ น, นะก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปอย่างเงี้ยดังนั้นวันวันนี้ในช่วงเช้านะหลวงพ่อมีธุระนิดหนึ่งเพราะว่าการทําเรื่อง ที่ลอกครองที่พอน้ำน้ำคืวัดมันแห้งหก็ เ, เลยทําเรื่องไปถึงทหารให้ไปช่วยลอกครอง <c oughs> ข้างล่างพอดีเขาจะเข้ามาเช้ชา ว, วันนี้หลวงพ่อจะแวะไปดูเขาหน่อยอาจจะกลับมาเห็นไม่ทันดังนั้นช่วงเช้าหลังจากฉันทานเช้าเสร็จแล้วทำพุทธะส่วนตัวทําความสะอาดเรียบร้อยก็ยมผู้หญิงก็เข้าวันนี้เข้าสู่ที่เก็บปฏิบัติทั้งนั้นสิ่งนั้นเลยนะผู้ชายก็ นยากให้ใช้สิกทางทางนี้หรือป่าดนุนซีตรงนั้นก็ได้ช่วงเช้านะช่วงเพลินก็เหมือนกันแต่หลวงพ่อกลับมาทันเพราะเขานัดเก้าโมงถ้าหลวงพ่อกลับมาทันเพลินเขาจะกลับมาถ้ากลับมาทันเพลินวันอาทก็จะมาช่วงบ่ายเพราะช่วงบ่ายยมพี่สาวเขายมลูกยมุมคนหนึ่งมาลงที่สนามบินก็ให้โชเฟอร์มาหาเช่าเฟอร์ไปรับเองนะ<ม>ก็ พ่อที่มาที่หลังมาวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดหาไฟไม่ได้อวันที่ยี่สบ็ดก็ยังดีก็อุตส่าห์มา ก, กันนะะอามาก็ม า, าน้องสาวแกคุณนกยุงเอาแอบไปนี่นู่นละ้แอบไปเชิญคําแล้วเอาพี่สาวไว้ที่นี่เพราะนั้นในเงื่อนไขในการเก็บอารมณ์วันนี้ลองไปทําตรงนั้นช่วงบ่ายก็เช่นกันหลังจากที่าทานเพนทานอาหารเพนแล้วถึงพ่อมาไม่ทันก็เข้าสู่ที่ปฏิบัติตรงนั้น หรือจะใครขยับมาตรงนี้ก็ได้ในช่วงบา่ายทมันร้อนนะนั้นเองก็ในเรื่องของการปฏิบัติถ้าเข้าใจทะลุกปูกป่งแล้วไม่ยากนะแต่ว่าคุณสุบัติพื้นฐานคือศรัทธาความรักความตั้งใจเรามีมากน้อยแค่ไหนแล้วความเพียรของเราดีเป็นความเพียรที่เป็นความเพียร ท, ที่ถูกไหมไม่ใช่ทำไปะตะพื้นตะพื้ไม่อะไรเกิดก็ช่างมัน ในความเพี Office, ้ยนไม่ถูกความเพียนที่ถูกก็คือคอยเฝ้าระวังที่ว่าไว้ก่อนเฝ้าระวังว่าอะไรมันความไม่สบายความสบายทางกายมันเกิดอย่างไรความสบายความไม่สบายทางใจมันเกิดอย่างไรเฝ้าระวังดูมันเกิดแล้วถ้าทางกายนั่นก็คือบําบัดปรับเปลี่ยนไปตามความความตั้งใจของเราถ้าหากว่าบําบัดปรับเปลี่ยนไม่ดีมันก็เข้าไปสู่จิตมันก็เข้าไปสู่จิตมันก็กลายเป็นสมุทัย ก็ต้องไปตามเฝ้าระวงังหรือแก้ไขตัวนั้นอีกมันก็จะมีขึ้นตลอดเวลาแหละเพราะอะไรเพราะอนิจจทํางานตลอดเวลาทุกครังทํางานตลอดเวลาเพราะฉนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวรู้เข้าไปแก้ไขบอมบ์บัตรตลอดเวลาเหมือนกันเพราะนั้นภารกิจของเราคือการปฏิบัติทำไมต้องสร้างยีง่ห้อตลอดเวลาทําไมเดินยกรมตลอดเวลาก็เพื่อเป็นการตั้งตัวรู้ให้ชัดเอาไว้ที่เปรียบเหมือนวันก่อนเหมือนเลดา้าเครื่องเลดา้าที่มันวนอยู่ บนหอคอยของสนามบินมันหมุนตลอดเวลา24ชั่วโมงนั่นคือการาเฝ้าระวังสิ่งที่เข้ามาเหมือนกัรในที่เราจะต้องหมุนตัวรู้ให้มันทํางานได้ตลอดเวลาเพื่อจะเฝ้าระวังตัวอะไรตัวเผลอที่จะไปสําคัญมั่นหมายในตัวกายตัวใจที่มันเปลี่ยนแปลงยังทุกข์ขังตลอดเวลาเนี่ยไม่ไปสําคัญว่ามันเป็นเราแต่ว่ามันเป็นตัวตัวสภาวะ สบายไม่สบายถ้าสบายเราก็ไม่เข้าไปเพลินไปเผลอถ้าไม่สบายเราไม่เข้าไปวิ่งหนีหรือไปกบไปเกลื่อนแต่เข้าไปบำบัดให้มันอย่างมีสติสัมปชัญญะแค่นี้แห ล, ละภารกิจของเราเข้าไปไม่เพลินในสุขเวทนาแล้วก็ไม่ไปสําขัญมหม่ใหมยทุกข์ว่าเป็นเราแต่ทุกนี้เป็นสิ่งที่แก้ได้บาบัดได้อย่างรู้เนื้อรู้ตัวแค่นี้แหละภาคปฏิบัตินะ เพราะฉะนั้นตรงลงเราอย่างนี้เนาะหลังจากทานข้าวเช้าเสร็จทำพระสนตัวปัดกวาดเช็ดถูเสร็จก็เข้าสู่ที่ปฏิบัติด้านนู้นเลยนะอย่างผู้หญิงแล้วก็อย่งผู้ชายก็ทางนี้เหมือนเดิมถ้าตอนเพลิถ้าหลวงพ่อมาทันก็ก็จะบอกอีกครั้งถ้าหลวงพ่อมาไว้ทันก็เหมือนเดิมคืออยู่ตรงนั้นก่อนเพราะว่าทําเรื่องหรือมาทําเรื่องขอความช่วยเหลือเข้าไปเพราะว่าเราแท่แค่ตั้งต้นทาําฝ่ายแค่นั้นแต่ ปัจจัยที่จะมาลอกครองยาวๆเราไม่มีแล้วไปข อ, อกําลังฐานพอดี ม, มาออกไปนี่วันนั้นไปเจอโยมโยมตู่เขารู้จักอรองเม่เท่าภาคดีก็เลยเขาก็คุยไม่ทาภาคเออไม่ท่าภาคก็ส่งคนมาดูเมื่อวานเขาก็เลยจะมาช่วยเราวันนี้เลิกอ็อนัดหลวงพ่อไปคุยประมาณแปดโมงเก้ามงไงตกลงเข้าใจกันเนาะโอเค